จินพอยยำทุกทุกท่านเนา ะ, <c oughs> ะก็ปรับตัวปรับใจให้ให้สบายๆนะค <c oughs> ือบางทีเราคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องธรรมะเรื่องฟังธรรมเนี่ยบางทีบางคนจะแบบเมันเกรงๆเนาะเครียดนะ <c oughs> นะหลายคนก็แบบพอแค่เจอพระหรือเข้าวัดก็กนะ็รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติะนะกลัวๆนะหลายคนก็เบืออ่อเลยนะนเบือ่อแต่จริงมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะนะถ้าใครสนใจเขาก็เขาก็มีความชอบมีความสุขนะเราเองก็ พอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคิดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยให้เรามีความคล้ายคายมีความสบายๆนะผ่อนคลายปรับร่างกายเราให้ผ่อนคลายนะนั่งก็ไม่ต้องแบบยืดหรือเกร็งนะใจก็ไม่ต้องแบบแข็งๆนะหรือต้องแบบรวบใจเข้ามาให้มันนิ่งๆนะ บางคนพอเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วก็มักจะคิดถึงเรื่องความนิ่งนะความสงบนะหรือว่าความไม่ให้มันฟุ้งซ่านนะไม่ต้องขนาดนั้นนะที่จริงธรรมะนะก็คือความเป็นธรรมดาเนี่แหละนะนะธรรมะก็หรือคําว่าธรรมดาคําว่าธรรมชาติเนะี่ยคือธรรมะทั้งนั้นเลยนะ การมาเรียนรู้ธรรมะก็คือมาเรียนรู้นะความเป็นธรรมชาติของกายของใจนะหรือผู้อย่างหนึ่งคือความธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเป็นกฎนะเป็นกฎของของธรรมชาตินะที่มันเกิดขึ้นกับกับรูปกับน้ำนะเพราะว่าบางทีกายใจมันอาจจะค่อนข้างเป็น เป็นสัตว์เป็นบุคคลนะแต่กับรูปกับนามเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะต้นไม้พวกเขาก็คือรูปนะนามมาทำก็สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะแต่มาสัมผัสรู้ด้วยจิตใจได้การมาเรียนรู้ธรรมะก็คือเหมือนกับมาเรียนรู้ความจริงที่มันที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนาม น, นั่นแหละ น, ะนั้นความจริงก็คือสิ่งที่เราก็ปล่อยให้ความจริงเขาแสดงนะ ไม่ใช่เราไปสร้างความไม่จริงขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปไปอยู่กับตรงนั้นคือนักปฏิบัติธรรมต้องระวังว่าบางทีพอเราไม่รู้ตัวพอเราหลงตัวเนี่ยเราจะหลงไปสร้างภพนะภนะพภพน้อยนะภพใหญ่นะเวลาเราสวดมีภพน้อยมีภพใหญ่ภพใหญ่นี่ก็เกิดแล้วก็ตายเนาะ ตายไปแล้วเกิดใหม่เป็นภพเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาเป็นอะไรก็อันนั้นเขาเรียกว่าภพใหญ่แต่สิ่งที่เราสร้างโดยไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีก็นะสร้างขึ้นมานะคิดว่าแบบนี้มันดีคือสิ่งที่เรียกว่าภพน้อยภนะพน้อยเนะี่ยคือคืออาการที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนะ น, น, นี่ยวันวันนึงเนี่ยเกิดการสร้างภพเนะี่ยเยอะมาก ถ้าพูดง่ายๆกันเะนะี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สร้างพบความอยากเดี๋ยวก็สร้างพบความโกรธเดี๋ยวก็สร้างพบความหลงนะในจิตใจไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยได้ตั้งใจที่จะสร้างนะแต่มันสร้างของมันเองคือส่วนใหญ่ก็คือพบความหลงนะ <c oughs> ความหลงอะไรส่วนใหญ่ก็คือหลงหลงไปคิดนะหลงติดอยู่ในความคิดนะหรือ บางทีเมื่อเกิดสิ่งกระทบเราก็จะหลงหลงไปตามอารมณ์เนา ะ, ะอารมณ์ที่มันกระทบผัสสะ ท, ที่มันกระทบอันนี้คือคนก็จะหลงไปหลงไปคิดเองบ้างหรือหลงไปตามอารมณ์ที่มันกระทบบ้างการที่เรามาฝึกสติก็คือฝึกนเมื่อจิตมันหลงไปคิดก็ดีหรือจิตเขาหลงไปตามอารมณ์ที่มันกระทบก็ดี ถ้าเรามีสติเนะี่ยเราจะหลุดออกมาจากความคิดนะหลุดออกมาจากอารมณ์ฮนะคล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนคล้ายๆมีคนมาจุงมือเราไปนะชวนเราไปปุ๊บเราไม่รู้ตัวเราก็เดินตามเขาไปพอเรารู้ตัวเราก็เหมือนปล่อยมือเขาเนะแล้ราก็ไม่ไปตามเขาอันนี้เราฝึกบ่อยนะคือว่าการฝึกสติคือรู้ทันนะเวลาจิตมันดลงไปกับความคิด หรือจิตลงไปกับอารมณ์ต่างๆให้เรารู้ทันเมื่อมันรู้ทันจริงๆนะถ้ามีสติจริงๆจิตมันจะดุดของมันเองเมื่อจิตมันดุดจากความคิดดุดจากอารมณ์ครนี้จิตมันจะมารู้ถึงร่างกายที่มันที่มันทำสิ่งต่างๆอยู่นะมันจะกลับมาอยู่กับรูปร่างกายทำอะไรอยู่นะจิตก็จะรู้ตัวนั้นแทนเพราะว่า ธรรมชาติของจิตนะมันรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างเมื่อจิตมันหลุดจากความคิดหรืออารมณ์ละจิตมันก็จะมารู้สึกตัวมารู้กายของมันนะที่จริงมันก็รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนที่มันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปคิดนั่นแหละนะก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วนะนะแต่พอความคิดมันหายไปอารมณ์มันดับไปจิตมันก็เกิดความรู้ตัวชัดว่ากายกระลังทาอะไรอยู่นะมันก็เกิดความรู้ชัดตรงนั้น อันนี้คือธรรมชาตินะที่ที่ธรรมชาติที่ถ้าจิตมันไม่ได้ฝึกหรือว่าจิตมันเคยชินก็คือมันไหลไปกับอารมณ์ต่างๆเนาะนั้นหลวงพ่อเทียนเองก็จะบอกเราเราไม่ต้องห้ามความคิดต่างนะนะเพราะยิ่งห้ามยิ่งยิ่งห้ามยิ่งเครียดนะใช่ตั้งใจจะให้มันไม่คิดเนี่ย มันผิดตั้งแต่ตอนตั้งใจจะให้มันไม่คิดอ่ะตั้งใจให้มันไม่โกรธมันน่ะก็ก็ก็จะก็จะกดดันนะ่ะ <c oughs> ก็จะเครียดนะไม่สบายที่เอาอาจารย์กำพลนะเคยเคยเล่าอคือตอนที่อาจารย์ไปปฏิบัติธรรมกับพ่อนะตแต่ก่อนพ่ออาจารย์ก็ไปดูแลอาจารย์กำพล แต่ตอนช่วงเข้าภรษานะพ่ออาจารย์ก็เหมือนตั้งใจว่าในภาษาเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่โกรธทาได้ไหมพอแค่ว่าตั้งใจว่าทั้งภาษานี้จะไม่โกรธนะเนี่ยอ่มันเกิดความเครียดขึ้นนะ่ะเกิดความรู้สึกแบบเครียดนะว่าต้องพยายามต้องบังคับต้องระวังที่จะให้มันไม่โกรธให้ได้นะ่ะแต่พอทําไปได้ไม่กี่วันก็รู้สึกเหมือนอะไร รู้สึกแล้วมันไม่สบายนะก็เลยเปลี่ยนความตั้งใจใหม่ว่าอ๋อตั้งใจที่จะรู้ทันความโกรธที่มันเกิดขึ้นสบายกว่านะคือพอตั้งใจจะไม่โกรธเนี่ยมันจะโอ้สามเดือนนะไม่ใช่น้อ ย, น, อยนะนะหรือถ้าโกรธครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าผิดละนะใช่ไหมแต่ถ้าตั้งใจว่าจะรู้ทันความโกรธเนี่ยสบายกว่าคือโกรธก็ไม่เป็นไร โกรธก็รู้เนี่ยคือพอตั้งใจมันความตั้งใจมันเป็นสิ่งที่คือถ้าเราตั้งใจถูกมันก็ดีแต่พอตั้งใจผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับคือพอไปถวตั้งใจถูกก็คือการวางใจถูกนั่นแหละนะคือวางใจที่จะมีสติรู้เท่าทันนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นมามีสติรู้เท่าทันนะเวลาความยากก็เหมือนกันนะเราเองก็ บางทีบางคนก็เครียดนะเมื่อวานไปสอนที่เดมอนฟาร์มโยมคนหนึ่งก็เครียดด้ะยคืออะไรใจมันมีความโลภนะมีความอยากเห็นกระเป๋าก็อยากจะได้อะไรนะเห็นคนเขามีอะไรก็อยากจะได้ก็เลยรู้สึกรู้สึกเครียดหรือรู้สึกไม่พอใจที่ที่กิเลสมันม า, ม, ามายั่วให้เราอยากอย่างงี้นะแต่ที่จริงถ้ามองจริงไม่เป็นธรร ม, รรมดานะนะ ปุตตชนก็ต้องมีความอยากหรือแม้แต่พระอนาคามมนะก็มีความอยากความอยากอะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะนิพพนะานคือยังยก็ยังอยากเลยนะไม่ใช่ไม่อยากนะแต่แต่ปุตตชนก็อาจจะอยากตั้งแต่หยับหยาบนะไจนถ้าบางทีพอสนใจปฏิติธรรมมก็อยากจะ มันรู้ทำอย่างไรก็คือมีตั้งแต่หยาบจนละเอียดนะแต่แม้แต่พระอนาคามีก็มีนะเพราะนั้นเราต้องยอมรับ ว, ว่าความอยากมันก็เป็นธรรมดานะในขณะที่เราฝึกเราห้ามความอยากไม่ได้หรอกแต่ให้เราฝึกให้รู้เท่าทันความอยากนะความอยากที่มันเกิดขึ้นคอยรู้เท่าทันพอมีสติรู้เท่าทันแล้วครนี้มันมันจะเลือกเองแหละว่า มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนาะนะคือความอยากมันก็มีความอยากที่จำเป็นนะความอยากที่ไม่จำเป็นสติก็จะเข้าไปพิจารณาเนานะอืมไม่ใช่ว่าคืออันนี้ถ้าตรงๆ ง, ง่ายๆเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรเราก็ต้องจำเป็นนะแต่บางทีปฏิบัติธรรมก็จะมีบางวิธีหรือบางสำนักที่อาจจะมีอุบายที่สอนต่างกันบ้างเช่นเวลาเรงตั้งเรปวด นนั่งแล้วปวดเขา่าปวดขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ไห <laughs> มถ้าเราก็จะสอนว่าให้เปลี่ยนในความรู้สึกตัวใช่ไหม <laughs> ถ้าบางที่ก็จะสอนว่าไม่ให้เปลี่ยนให้นั่งให้นั่งอะไรเอาชนะความปวดให้ได้ประมาณนี้ใช่อืมสอนไม่เหมือนกันนะ <laughs> แต่จริง อุบายต่างกันนะแต่ที่จริงหัวใจมาว่าก็สอนเหมือนกันน่าแหละคือให้ดูนะอย่างของเราเองอาจจะดูเวลาเปลี่ยนท่าก็ให้ให้รู้สึกตัวไปด้วยในขณะที่เปลี่ยนท่าก็ดูไปด้วยนะหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ดูอะไรดูกายที่มันปวดหรือดูใจที่มันอยากจะเปลี่ยนอะไร น, นะนนะี่ มันก็ดูเหมือนกันนะแต่แต่ถ้าเราวางใจผิดมันจะเหมือนคืออะไรทนไม่ใช่ดูทนอ่ะทนแล้วก็อะไรโกรธโกดนโกดอารมณ์หรือว่าโกรธที่มันทำไมมันปวดเนาะแล้วก็คิดหรือว่าอยากทำไมทาอย่างไรมันถึงจะหายปวดใช่ไม พอมันหายปวดก็ดีใจพอมันยังไม่หายปวดก็ทุกข์ใจอันนี้คือไม่ได้ดูนะแต่ถ้าเราดูนะถ้าเราดูก็เราจะเห็นแต่มาว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนแบบมาว่าก็ได้ทั้งหลักด้วยแล้วก็เทคนิคด้วยนะท่านบอกเป็นทางสายกลางเป็นเทคนิคแบบนี้นะท่านบอกว่าอย่างเวลาเราปวดเนาะนั่งปวด ให้มันขอเปลี่ยนทักสามครั้งค่อยค่อยเปลี่ยนก็้าใจไหมคือบางทีพอมันคิดปวดพอมันปวดขึ้นมาปุ๊บมันคิดอยากจะเปลี่ยนนะอ่ะทนไว้หน่อยดูมันก่อนนะครั้งที่หนึ่งอ่ะครั้งที่สองอย่าง้วนะอครั้งที่สามนะมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเร็วเกินไปบางคนแบบพอคิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันทีไม่ทันได้ดูว่า มันปวดจริงหรือว่าใจมันอยากจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเรารอดูสักหน่อยเอนะตามครั้งนะเออมันก็จะเห็นว่าความปวดมันปวดจริงหรือว่าจิตมันดอกนะใช่เราก็แต่ก็อย่างว่านะคือพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยสตินเะพราะเรารู้ตัวแล้วว่ามันสมควรหรือไม่สมควรอันนี้ก็เป็นอุบายนะหมายว่าเป็นอุบาย บางคนอยากจะลองห้าครั้งก็ได้นะถ้าทนได้ก็ดองดูว่าเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่เป็นอุบายสําหรับคนที่บางทีเรามักทําตามความคิดแบบทันทีเนาะออยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยอยากจะลุกก็ลุกเลยอยากจะกินก็กินเลยอยากจะพูดก็พูดเลยแบบนี้มาว่าเมื่อเราอาศัยว่าอาศัยอุบายพวกนี้เป็นเทคนิคในการฝึก ตัวเราเองอย่างเวลาเรามาปฏิบัติทำหลายที่ก็บอกไม่ให้ให้งดพูดแบบนี้เนาะงดพูดเพื่ออะไรบางคนจะคิดเจะไม่ให้พูดทั้งวันเลยเหรอหรือบางทีไม่พูดถ้ามันจะบรรลุธรรมได้จริงแล้เหนะ่อที่จริงมันเป็นแค่อุบายให้เราเห็นเห็นอะไรเห็นใจที่มันอยากจะพูดคือแต่ก่อนพออยากจะพูดก็ก็พูดทันทีเนาะ เหมือนคนสมัยเนะั้นที่ที่เป็นข่าวที่อะไรก็คือเัวอยก็คือทําตามอารมณ์ทันทีเนา ะ, นะโกรธก็ด่าทันทีโกรธก็ดีทันทีอะไรแน่นอ น, นหรือที่พิมพ์ต่างๆนี่ขนาดพิมพ์นียังมีโอกาสได้ยั้งนะแต่บางทีก็ยั้งไม่ทันใช่ไหมยังโพสต์ยังอะไรที่ตามอารมณ์ตามความคิดแล้วก็ต้องมาเสียใจทีหลังเนี่ยคือ สติจะทำให้เรายั้งนะยัง้งเราห้ามอารมณ์เราห้ามความคิดไม่ได้หรอกแต่สติจะยั้งว่าสิ่งที่มันคิดเนี่ยมันคิดด้วยอารมณ์หรือมันคิดด้วยการพิจารณาโดยแยบคายแล้วอันนั้นนะมันจะพูดนะพูดเพราะว่าจาเป็นต้องพูดหรือว่าไม่จาเป็นต้องพูดอย่างตมาเองบางทียังคือเราก็ เวลาเราต้องมาสอนโยมนะบางทีต้องดูดีๆเหมือนกันดูตัวเองคืออะไรบางทีเห็นบางคนง่วงนอนเห็นบางคนขี้เกียจปฏิบัติหรือเห็นบางคนอาจจะทําผิดอะไรบางทีอาจารย์จะมาอาจจะไม่ไม่สอนทันทีมันดูก่อนดูก่อนว่ า, เ, าเขาจะเปลี่ยนเองได้ไหมเนี่ยบางคนก็อาจจะง่วงนิดนึงแต่หนังเขาข่อยับตัวเองตื่นขึ้นมาได้ หรืบางคนเขลงไปแป๊บนึงเขาเปลี่ยนตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปใครๆไม่ต้องไปเตือนเขามากบางทีบางคนก็ดูพักๆเนินนะเห็นมาพักหนึน่งแล้วเออสมควรก็ค่อยไปสอนเนอนะไม่ไม่ได้ไมีแบบไม่ใช่เห็นปุ๊บสอนปั๊บทันทีบางทีเราก็เราก็ต้องดูแต่เองเหมือนกันนะอืมแต่ที่จริงเป็นนักปฏิบัติเฉยๆง่ายกว่านะไม่ต้องไป เกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยมันก็ปฏิบัติตัวเราเองเห็นอะไรก็มาดูอารมณ์ของเราเองอย่างเดียวก็พอละแต่บางคนต้องมีกิจที่ต้องเกี่ยวข้องอาจจะต้องก็ต้องมีสติมากขึ้นนะบางทีเพราะว่าถ้าไม่ระวังก็เราก็จะไปสอนด้วยด้วยอารมณ์บ้างหรือว่าด้วยบางทีก็ไปแทรกแซงเขามากเกินไปบ้างก็ก็ไม่ดี เพราะที่จริงอย่างหลวงพ่อคำเขียนเองท่านบางถีท่านสอนแบบไม่ได้เข้าไปสอนตรงๆนะท่านสอนแบบให้เราทำแล้วก็ให้เรารู้ด้วยตัวของเราเองนะเหมือนที่เราสวดการามาสูตรเมื่อสักครู่นะี้เหมือนพูะเจ้าสอนให้เราให้เรารู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทำนะมันเป็นอกุศลหรือเป็นกุศล อันนั้นนะเราถึงจะเราถึงจะควรเชื่อนะหรือว่าควรไม่เชื่อนะเพราะหลายคนก็ทำตามตา ม, ตามกันมาเนาะหรือก็ทาตามความคิดนะตามความเห็นของตัวเองนะแต่ที่จริงเนี่ยแหละถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราจะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะมันได้ผลจริงไหมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เหมือนวิธีเจริญสติอย่างที่พวกเราฝึกเนี่ยแรกๆก็มาว่าหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าการทำแบบเนี้ยมันมันใช่แนวทางที่พุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะหรือหลายคนก็ก็ยังสงสัยว่าแค่เจริญสติอย่างเดียวเนี่ยพอหรือเปล่าต้องทำสมาธิเพิ่มไหมต้องเรียน พุทธวจนะต้งนี้อภิธรรมเพิ่มหไหมอนะไรมันเนี่ยนี่อันนี้ไม่ดูนะบางคนอาจจะสงสัยหรือคิดอย่างนั้นแต่ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะลองพิสูจน์ตัวก็ได้นะว่ามันพอไหมนะแต่มาว่าพอคือตอนแรกมาก็สงสัยว่าคือเราต้องทําสับกับเนี่ยเจริญสติด้วยสับกับการนั่งสมาธิด้วยหรือเปล่าจําเป็นไหม ก็ไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ก็ลองดูนะแต่ถ้าอยากจะพูดก็คือว่าจริงสติกับสมาธิมันก็มันก็คู่กันอยู่ละนะคือเราว่าพูดว่าเราจะเินสตินะแต่จริงมันก็จะเดินสมาธิไปด้วยกันคือสมาธิที่แปลว่าความความตั้งใจมั่นเนาะ ไม่ใช่สมาธิได้แปลว่าสงบหรือว่าไม่มีความคิดอะไรนะส ม, สมาสมาธิคือจิตที่ตั้งใจมั่นถ้าเราได้อ่านนะสมาธิขั้นที่สี่คืออะไรมีสติแล้วแลรอยู่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขามีสติแล้วแลรอยู่เนี่ยคือสมาธิขั้นสูงเลยนะ อันนั้นสิ่งที่เราฝึกเนี่ยฝึกอะไรฝึกสติให้เป็นผู้ดูภาษาที่ในพระบาลีชั้นแปลเรียกว่าแลก็คือดูนั่นแหละนะแต่เราไม่ใช้ใช้ตาดูแต่เป็นใจที่มีใจที่มีสตินะที่มันเห็นนะเห็นอะไรแลดูอะไรดูกายดูใจมันทำงาน ดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะมันเห็นแบบนี้คือถ้ามันไม่มีสตนะิหรือสติมันกำลังไม่พอมันจะเป็นเห็นว่าเราเดินเรานั่งเรากินเราพูดเราคิดนะแต่ถ้ามีสติมันจะเป็นเพียงแค่อาการมันเหมือนถอนถอนประทานออกอะ่ะมีแค่กิริยากิริยา กินดื่มพูดคิดอะไรนะเห็นเป็นอาการของรูปอาการของนามที่มันทําสติเป็นผู้ดูนะถ้าจะเป็นประธานก็คือเป็นเป็นผู้ดูเฉยแต่ไม่ใช่ว่าเราดูนะหรือเราเห็นเนี่ยคือเราฝึกแบบนั้นนะตั้งแแรกตั้งแต่เราฝึกนะเคลื่อนไหวร่างกายนะนั่งยกมือสร้างจังหวะก็ดีนะหรือว่าเดินจงกรมก็ดีหรือทําอะไรก็ดีให้ ให้ฝึกแยกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเช่นกายกายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้ดูฝึกแยกแบบนี้เลยนะกายเดินนะใจเป็นผู้ดูใจคิดนะก็มีใจหนึ่งเป็นผู้รู้ทันว่าเมื่อกี้มันคิดนะเราฝึกสติเนะี่ยมันแยกแบบนี้เลยนะมันแยกรูปแยกนาม ต, ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะนะคือฝึกแยกกายก็อันหนึง่งใจก็อันหนึง่ง รวมทั้งแยกเลยว่าใจที่มันหลงไปคิดก็อนหนึ่งใจที่มันรู้ทันว่าเมื่อกี้มันหลงไปคิดก็อนหนึ่งมันจะฝึกแยกหมดนะมันจะสร้างผู้ดูขึ้นนะแต่กำลังของสติแล้วก็สมาธิเบื้องต้นมันจะเป็นเหมือนเกิดเป็นผู้ดูหรือเกิดการแยกทีลักษณะถ้าเปรียบเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนฟ้าที่มันมันมันแลบอะ นิดหนึ่งเออถ้าเรารู้สึกเลยนะว่าชีวิตเราจมกับความคิดกับความทุกข์เนี่ย น, นานมากเหมือนมืดตลอดพอฟ้ามันแลบปุ๊บสว่างขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะ่ะเป็นมาบ น, นั้นเละจิตที่มันดูด ต, ตรงนันนิดนึงจะเห็นว่ามันพ้นออกมาแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะ่ะมันจะเกิดความเหมือนแว บ, บออกมาเนะี่ยได้บ่อยขึ้นนะ่นะนั้นสติแล้วก็สมาธิมันเรียก ว, ว่ามันเกิดขึ้นทีละขณะ ถ้าภาษาบาลีก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นทีละขณ ะ, ะมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่ด้วยกั น, นไปด้วยกันเลยไปด้วยกันแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลนะเมื่อถึงคราวที่มันขึ้ น, นมันมักมันเต็มรอบขึ้นเป็นอริยผลขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะรวมเป็นสมาธิที่มัน หรือว่ามันตัดสังโยชน์ได้ของมันเองนะจากการที่เราสะสมสมาธิทีละขณะนี่แหล ะ, ะเหมือนคล้ายๆเราสะสมน้ำฝนทีละหยดทีละหยดนะ่ะโอหมันก็เต็มได้เหมือนกันไม่ต้องรอแบบน้าเยอะทีเดียวมันจะเต็มนะเราอาศัยกันมีสติทีละขณะทีละขณะจิตเราก็จะตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะนะเป็นผู้ดู ทีละขณะทีละขณะทีละขณะสุดท้ายนะการที่เราฝึกบ่อยๆนี่นแหละจิตมันจะเป็นผู้ดูของมันเองนะเป็นผู้ดูของมันเองนะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะมันก็จะเห็นนะถ้าใครฝึกต่อเนื่องเยอะๆนะช่วงที่ท้าวาตานนะัปฏิบัติเ็าเรียกว่าช่วงที่ปฏิบัติตัวได้อารมณ์เ <c> ข <oughs> ้าใจไหได้อารมณ์ปฏิบัติคือเหมือน อยากแต่ปฏิบัติตลอดนะไม่อยากไปทำอย่างอื่นปฏิบัติก็้ได้อารมณนะ์่ะแม้แต่ตอนนอนนะมันก็ยังไม่อยากนอนหรือนอนมันก็นอนเป็นท่านอนเฉยๆแต่จิตมันตื่นนะเห็นร่างกายมันนอนเห็นจิตมันฝันเลยน ะ, ะเหมือนไม่ดับนะแต่ก็ไม่เพี้ยนะจิตมันตื่นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็มีนี่คือคือมันก็ตื่นของมันนะ แต่บางทีมันก็ทําให้เราเกิดความกลัวกังวลงอยู่เออมันไม่ได้พักจะทายังไงดีอยู่านี้นนะคือพอจิตมันพอปฏิบัติแล้วมันได้อารมณ์สติมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอืมมันก็จะทําให้เราเห็นว่าอ๋อที่จริงการรู้ตัวเนี่ยมันรู้ได้แทบตลอดเวลาเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะ มันก็เกิดความรู้สึกตัวได้ในเยอะขึ้นหรือยิ่งพอได้จิตมันเห็นความคิดเห็นอาการของจิตบางทีมันไม่ใช่คือคําว่าความคิดบางทียังหยาบนะคือความคิดมันยังเป็นเรื่องราวเนาะยังเป็นเรื่องน่ะแต่บางทีมันจิตมันเห็นแค่อาการที่มันมันแวบๆอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอีกท้งบางทีไม่มันแยกไม่ได้ว่า โลภหรือโกรธหรือหลงหรืออะไรนะหรือคิดบวกคิดลบบางทีมันแยกไม่ได้ที่มันแยกได้เนี่ยหมายว่ามันคิดเป็นนาน้นะคือมันยังเป็นอารมณ์ที่ชัดละแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแค่รู้สึกจิตมันเคลื่อน่จิตมันเคลื่อนเคลื่อนเพราะอะไรก็ไม่มีรู้สาเหตุที่แน่นอนหรอกเนี่ยถ้าช่วงเนี้ยจิตมันจะเหนื่อยเพราะว่ามันมันเห็นอาการที่มันเคลื่อน เห็นความคิดหรือการเกิดดับภายในเนี่ยเยอะมากบ่อยมากตอนนี้นจะเหนื่อยถ้ากำลังสมาธิไม่พอตอนนั้นแหละนะจะคล้ายๆจะหมดแรงหมายว่าถ้าถึงตอนนั้นนะ่ะถ้าบางทีจําเป็นก็คือจําเป็นต้องทำสมาธิเข้ามาเสริมบ้างนะสมาธิไม่ใช่ว่าเราต้องไปนั่งสงบนะ สมาธิคือเราทําอะไรแล้วเรามีความมีความสุขมีความชอบในการทําแล้วก็ทำเพื่อนมาเสริมเช่นบางคนชอบสวดมนต์ก็เอาอ่ะก็อาจจะวางเรื่องการเจริญสติแบบนี้ไปอยู่กับการสวดมนต์อ่าสวดมนต์วันหนึ่งก็อาจจะเยอะหน่อยให้จิตมันเหมือนได้ไป พ, พักผ่อนหรือได้มีความความสุขความผ่อนคลายกับการสวดมนต์ในวันนะ บางคนชอบวาดรูปก็ไป ว, วาดรูปให้มันผ่อนคลายแบบ น, นี้ก็ได้นะนี่คือถ้าถ้าตรงนั้นคือจิตมันเหมือนทำงานเยอะสติมันทำงานเยอะในการเห็นอารมณ์เห็นเกิดดับอะไรบ่อยมากถึงตอนนั้น่ะก็ไปเสริมสมาธิแบบหาอะไรหาอุบายให้จิตมันมีความเพลินพอพอจิตมันได้พักพอครั้งนี้เราก็ค่อยๆลด ลดการทำสมาธิแบบนั้นลงมาเจริญสติต่อนะจิตมันก็จะเดินเดินปัญญาต่อคำว่าเดินปัญญาคืออะไรคือเห็นรูปนามนะมันเกิดดับนะเห็นรูปนามมันเป็นไตรลักษณนะ์คือเราดูไม่ใช่รู้สึกตัวเฉยๆนะนะคือรู้สึกตัวมันเป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าบางคนรู้สึกตัวเฉยๆมันไม่ มันไม่มันไม่เห็นไตรักมันไม่เห็นการเกิดดับนะกับอาการของรูปของนามเนี่ยมันจะไม่ไปต่อมันจะรู้สึกเฉยเฉยแล้วเหมือนไปต่อไม่เป็นเราต้องเห็นนะการเกิดดับหรือเห็นไตรักษ์ของรูปของนามมันเป็นการเดินปัญญาเดินปัญญาตรงนี้คือมันจะได้เข้าใจว่า ในรูปในนามเนี่ยมันเป็นใตรักษอย่างไรมันเกิดดับอย่างไรบังคับไม่ได้อย่างไรมันเป็นปัญญานะปัญญาที่จะทําให้เราถอนความยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นในไรในรูปในนามเนี่แหละนะตัวตนมันเกิดที่ไหน <c oughs> เกิดเพราะเรายึดอะไรยึดรูปกับยึดนามเนาะนะเหมือนที่เราสวด ตอนเช้าอะ่ะพระเจ้าบอกว่าโดยย่อเนาะอุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกใช่ไหมขันห้าก็คืออะไรก็คือรูปกับนามอุปทานคือการไปยึดมั่นในรูปในนามเป็นตัวทุกเนี่ยนะพอเราเห็นตัวนี้นะเราจะได้ปัญญาในระดับในระดับมันยังไม่ใช่ปัญญาแบบทอนอจริงๆหรอกนะแต่มันเห็นทางแล้วว่า การที่เราไปยึดเมื่อไร่มันเป็นทุกข์แต่พอมีสติรู้ทันเมื่อไรมันก็เหมือนปล่อยมันก็ไม่ทุกข์นะเราจะเห็นเราจะเกิดปัญญาเบื้องต้นเลยว่าเมื่อไรที่เข้าไปยึดเป็นทุกข์เมื่อไรที่รู้ทันมันปล่อยมันก็ไม่ทุกข์นะมันจะรู้เลยว่า อ, อที่จริงเราไม่ไทุกข์ตลอดเวลานะทุกข์ตอนเข้าไปยึดนะหรือเข้าไปเป็น แต่พอรู้ทันไม่ได้ยึดมันก็มันก็ปล่อยละเนี่ยคือมันจะรู้แบบนี้นะเออที่จริงไม่ต้องไปหาแก้ทุกข์อะไรเยอะเลยนะแค่ฝึกรู้ทันบ่อยๆมันจะแก้ทุกข์ไปได้หมายว่าไม่รู้นะแต่ส่วนตัวมาว่าพอเราเข้าใจมาถึงตรงเนี้ยมันเหมือนเรามีความมั่นใจว่าความทุกข์ในตอนนี้ก็ดี หรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีไม่ต้องไปหาอะไรมาช่วยอะไรมากเลยนะแค่รู้ทันเฉยๆเนี่ยมันก็แก้ทุกข์ได้ละไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรมากมายมามาเตรียมพร้อมมารองรับอะไรเลยหรือถ้าบ้านไปจริงนะไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์อะไรให้มาช่วยเราก็ได้ถ้าเรารู้ทันตัวเราเองนะ เวลามันเกิดความยึดมั่นถือมั่นอะไรทุกอย่างหนึง่งพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะมันก็จะคลายเนาะแต่ก็อย่างว่าล่ะการเข้าไปยึดการเข้าไปถือการเข้าไปเป็นเนาะมันก็มีตั้งแต่หยับหยาบจนทั้งละเอียดขึ้นใช่ไหมอืมเหมือนความยากนะยากแบบหยับยาบที่คนอื่นเขาเห็นได้นะ หรือเราเองก็รู้สึกได้นะแต่อยากความอยากหรือความเป็นที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นยากโดยเฉพาะนักปฏิบัติเองเราก็จะอยากอยากไม่ยึดเนาะมันก็ยังเป็นความยึดในความอยากจะไม่ยึดน ะ, ะหรืออยากอยากจะไม่ทุกข์เนาะเมื่อเกิดความทุกข์บางทีเราก็ อยากจะหนีอยากจะเลี่ยงนะหรือเมื่อมันเกิดความสุขก็อยากจะประคองอยากจะรักษาอยากจะให้มันเกิดให้มันต่อเนื่องเนะี่ยมันก็ละเอียดขึ้นนะไอ้พวกเนี้ยหรือบางทีมันวางช่วงมันตกอยู่ในในอาการที่มันรู้อะเห็นอะไรก็ทีความเป็นธรรมะมองอะไรก็เข้าใจ เป็นสัจธรรมทั้งหมดนะตกอยู่ในความรู้นะก็อยากจะคิดอยากจะจดอยากจะสอนอยากจะอธิบายนะบางทีถ้าเราไม่เห็นก็คือความอยากอย่างหนึ่งนะอยากจะอธิบายอยากจะจำอยากจะสอนนะก็ก็เป็นความอยากซึ่งมันละเอียดมากแต่ให้เราจำไว้อย่างหนึ่งนะนะก็คือว่าขนาดที่มันมีความอยากแบบนั้น โดยเฉพะอยากในเชิงความรู้หรืออยากในในทางที่ดีแต่นั้นเราสามารถกลับมารู้สึกตัวแบบซื่อๆเฉยๆได้ไหมกลับมาหาฐานในการเห็นเห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวแบบนีน้กลับมาตรงนี้ได้ไหมพอมันกลับมาแล้วใจมันยังอาไรในความรู้ในความสุขตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนมันจะเห็น มันจะเหมือนคล้ายๆเรากลับมาหาอะไรที่มันจิตจืดนะะแล้วมันจะเห็นชัดว่าไอ้ที่มันรสชาติแบบแบบความรู้หรือว่าแบบความสุขเนี่ยมันอาจจะเหมือนรสหวานเลยนนะมันจะชอบเลยนะมันจะทําให้เราเห็นว่าอารมณ์ที่มันจิตจืดแบบนี้กับอารมณ์ที่มันถูกสุขหวานหวานแบบนั้นมันต่างกันมันต่างกันเราจะเห็นอ๋อเมื่อกี้เราหลงไปอยู่ตรงนั้น คือความจืดในรูปที่มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยมาานันจะทำให้เราเห็นชัดว่ามันมีความต่างอย่างไรแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำจิตให้มันจืดนะนะไม่ใช่ว่าจิตมันจะต้องไม่มีความชอบไม่มีความสุขไม่ใช่แต่คือเป็นการฝึกให้เรียกว่าจิตมันอยู่เหนือความสุขหรือที่จริงก็ยืนเหนือ ความทุกข์ด้วยอยู่เหนือความเฉยด้วยภาวนาไม่ใช่ว่าเพื่อสุขหรือว่าเพื่อเฉยเพื่อเป็นกลางๆนะแต่คืออยู่เหนือมันไม่ติดมันนะสุขก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นมันมันจะเหนือมันจะไม่ติดเฉยเราก็รู้มันมันก็จะเหนือขึ้นไปหรือบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้นะจิตมันก็ทุกข์นะ หรือบางที่จิตมันก็ฟุง้งคือภาวนามันก็ตลกดีนะคือเหมือนเราคิดว่าเหมือนเราเรียนหนังสือหรือเราทําอะไรบางอย่างมันเหมือนจะต้องเก่งขึ้นเนาะเหมือนต้องเก่งขึ้นต้องดีขึ้นต้องอะไรถ้าเป็นกราฟก็เหมือนขาขึ้นอะแต่ภาวนาถ้าเรามีประสบการณ์จริงนะบางวันเนี่ยก็เหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยบางช่วงเหมือนแบบ เหมือนคนมาเรียนใหม่เลยแบบอะไรว ะ, ะรนะทำไมง่วงขนาดนี้ทำไมฟุ้งขนาดนี้ทำไมจับไม่ได้เลยนะมันก็มีนะออมันเป็นบางช่วงนะไม่สงบเลยนยนะสติไม่ค่อยมีเลยฟุ้งเยอะเลยมันสอนอะไรสอนความไม่เที่ยงสอนความไม่เที่ยงนะแต่ถ้าคนจับหลักได้นะ มันจะเป็นอย่างนี้คือว่าอารมณ์หรืออาการที่มันเกิดขึ้นมันก็อันนึงแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะเหมือนอ่ะมันมันอยู่ลอยเหมือนเรือที่มันลอยอยู่อยู่บนคลื่น่ะคือบางครั้งคลื่นมันแรงแต่เรือมันก็ลอยอยู่บนคลื่นได้คือมันรู้แหละไม่สงบฟุ้งดึกมันทุกข์อะไรก็ไม่รู้ของมันนั่นแหละนะมันจะรู้สึกนะมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เออแต่ แต่ก็อยู่กับมันได้อะเหมืนอนพออยู่ได้มีมีพอมีที่อยู่แหละแต่รู้ว่ามันไม่สงบหรอกแต่มันก็อยู่ตรงนั้นได้อันนี้จิตฝึกให้มันประมาณแบบนี้นะคือเราไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามอารมณ์หรือว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ได้หรอกว่าแต่ละวันมันจะเป็นแบบไหนแต่เราจะฝึกว่าสติที่เป็นผู้ดูนี่แหละมันสามารถอยู่กับสาภาวะต่างๆได้ไหม มันสามารถดูอากาศต่างๆได้ไหมด้วยใจที่ตั้งมั่นนะด้วยสภาวะที่เรียกว่ารู้รู้เฉยๆนะรู้แล้วก็รู้ทันเวลาใจมันชอบใจมันไม่ชอบหรือใจมันอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ตอรู้ทันมันไหมถ้าเรารู้ทันตรงนั้นได้มันจะมันจะวางพวกนั้นได้มันจะรู้เฉยๆกับสภาวะต่างๆได้นะนี่คือ ภาวนาไปจริงๆนะมันไม่ใช่อะไรเลยนะมันเป็นการสุดท้ายมันย้อนกลับมากลับมาหาตัวรู้ฮะกลับมาหาตัวรู้นะคืออาการอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่สําคัญเลยนะสุขทุกข์ดีไม่ดีอะไรต่างๆไม่สําคัญเท่ากับว่าตัวรู้ตัวเนี้ยแหละมันเป็นกลางไม่คําว่าเป็นกลางนี้ก็ไม่ใช่ว่าสร้างให้มันเป็นกลางนะ แต่ฝึกจนทัง่งมันเป็นกลางแล้วเนี่ย น, นมันไปนติดชอบติดไม่ชอบยังรู้ได้เจอด้วยความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าสุดท้ายมันจะย้อนกลับมามาสู่ตัวผู้รู้เนี่ยแหละว่ามันมันตั้งมั่นมันเป็นกลางกับสภาวะต่างๆได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคือมันฝึกจนที่จริงถ้าว่าไปจริงๆนะฝึกไปก็เห็นแต่ความหลงนั่นแหล ะ, ะคือ เริมเห็นความหลงที่หยาบหยาไปจนเห็นความหลงที่มันละเอียดนะเห็นความดงเห็นความพลาดเห็นความโง่เห็นความถือดีเห็นตัวตนเห็นกิเลสต่างๆนะนั้นนักภาวนาต้องใจกลนะ้าๆหน่ยคือแต่ถ้าบางคนติดดีมากเลยมันจะ <laughs> มันจะไม่ค่อยกล้าดูไม่ค่อยกล้าดูกิเลสตัวเองแบบรับไม่ได้ใช่นะ ให้เป็นคนธรรมดาดีกว่านะบางทีเป็นพระเป็นแม่ชีบางทีก็บางทีวางใจลาบากเหมือนกันนะมันเกิดความคิดไม่ดีเกิดอารมณ์ไม่ดีแบบบางทีมันจะรู้สึกอันจะเรียกว่ามันจะรู้สึกหนักกว่าโยมอ่ะคือโยมบางทีมันอาจจะไม่มีคนมากราบไหว้มีคนมาถวายของมันก็เออมันก็ยังพอโอเคเนาะแต่บางทีพระบางรูปหรือแม่ชีบางคนจะรู้สึก เป็นที่ฟิบมากเลลวลาแบบเมื่อเราเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วพอไปมองคนที่เขาถวายคนที่เขากราบไหว้มันจะรู้สึกแย่กับตัวเองมันจะมีสภาวะตรงนี้อยู่เวลาปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดอารมณ์พวกนี้แล้วมันจะถ้าเราวางใจไม่ถูกมันจะเหมือนกลัวไม่กล้าเดินต่ออแต่ถ้าเราปรับใจนะจะเป็นพระจะเป็นโยมมันก็ กิเลสก็เหมือนกันนั่นแหละเพีย่ยนว่าเราแต่งชุดต่างกันเฉยนะเรามาเพื่อฝึกฝนตัวเองก็เห็นตรงนั้นแหละเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นมานั้นปฏิบัติทำจริงๆก็คือปฏิบัติแล้วมันเห็นกิเลสนั่นแหละมันถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเห็นแต่สุขเห็นแต่สบายนั่นแหะอาจจะไม่ก้าวหน้าก็ได้แต่ถ้าภาวนาไปแล้วเห็นกิเลสเยอะขึ้นเห็นความหลมเยอะขึ้นเห็นตัวตนที่มันผุดเยอะขึ้น เห็นความยึดติดถ <ie sen bir> ือมั uh, uh, ่นต่างๆมันเยอะขึ้นเนี่ยถูกทางนะถูกทางละนะก็เห็นไหมเห็นไหมโยมเห็นตัวตนบ่อยไหมเห็นมานะบ่อยไหมออาเห็นการยึดติดถือมั่นต่างๆเยอะบ่อยไหมนั่นแหละอื่าอันนี้คือมันดีนะเหมือนหลวงพ่องเขียนต้องบอก เห็นงูนะมันถึงจะพ้นจากงูถ้าเราไม่เห็นงูมันก็อาจจะถูกงูกัดไดนะ้นั้นเราฝึกให้เป็นผู้เห็นแบบเนี้ยบ่อยๆเนาะก็หมาก็เลยว่าการเจริญสตินะ่นะมันก็จะดึงทาที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดแต่แหละมาด้วยกันนะแต่บางทีเราไม่จาเป็นต้องไปแยกนะไม่ต้องไปแยกฝึก ไปทีได้อย่างที่ได้อย่างหรอกนะฝึกตัวนี้แหละมันจะดึงทุกอย่างอ่าที่เป็นธรรมที่จะน่ที่สมควรสู่การอ่าเข้าใจความจริงเนาะอ่สู่การบรรลุธรรมมันก็เป็นธรรมที่มันเดินทางไปด้วยกันได้เนาะอืนั้นขอเพียงแต่ว่าเราตั้งใจฝึกจริงๆเนาะหลวงพ่อเทียนนะ่ะจะเน้นว่าให้เราทําให้มันต่อเนื่อง คำว่าทำให้มันต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าคือบางคนจะคิดอย่างนะทำให้ต่อเนื่องคือไม่ให้มันหลงไม่ใช่นะทาให้ต่อเนื่องคือพยายามเนี่ยสร้างการเคลื่อนไหวบ่อยๆเพื่อให้เกิดสติมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคำว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ขาดสติเลยนะคำว่าต่อเนื่องคือให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะเช่นมันรู้กายเคลื่อนไหว WOW, อันนี้ก็ก็ดี หรือเวลาจิตที่มันดลงไปคิดนะเราก็รู้ทันอเ น, นี้ยคือมันต่อเนื่องแบบนั้นนะคือมันรู้กายเนะี่ยก็ก็ถือว่ามีสติหรือเวลาจิตมันดลงไปมันไม่รู้เราก็รู้ว่ามันไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันคือทำให้มันต่อเนื่องแบบเนี้ยบ่อยๆเนาะอ่านะแล้วก็ทำแบบทำเล่นๆทำแบบสบายๆทำแบบผนะ่อนคลายเนาะ และสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคืออย่าทําด้วยความอยากอยากรู้เนี่ยบางคนอ่านหนังสือเยอะฟังเยอะบางทีจะอดที่จะไปเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเราเราถึงขั้นไหนแล้วหรือบางทีก็จะอดไม่ได้ว่าสภ า, าวะแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอยากรู้เออยากรู้ อยากเป็นนะอยากได้น่ะอันะันะ้นคือให้เรารู้ทันนะมันอาจจะห้ามความอยากไม่ได้หรอกแต่ให้เรารู้ทันนะให้รู้ทันเวลามันเกิดอาการพวกนี้ขึ้นเนาะนะก็ให้เป็นเป็นอุบายเนาะแล้วก็เป็นเป็นหลักในการวางใจนะในการปฏิบัติของเราเนาะก็เราก็ได้มาทําความเพียรร่วมกันเนาะ ทำเรื่อยๆทำทุกวันนะนะก็อนุโมทนากับทุกๆท่านเนาะที่ตั้งใจมาในวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะถ้าใครที่เคยปฏิบัติแล้วก็ก็เชิญนะนะเรามีชั้นบนอีกสองชั้นนะไปเดินจงกลมหรือไปนั่งสร้างจังหวะก็ได้นะ หลงเยอะไหมชั่วโมงหนึ่งหลงเยอะไหมฮะดี <laughs> ดีที่รู้ว่าหลงเยอะออจริงๆนะแต่ก่อนบางทีละทุกวันมั น, มนก็หลงเยอะนะแต่บางทีเราไม่ค่อยรู้เพราะอะไรบางทีหลงยาวไลหลงยาวไปเลย คิดจะก็จนจบเรื่องหรือว่ามีอารมณ์อะไรก็เหมือนเสพจนมันอิ่มอ่ะคล้ายคถ้าแต่เหมือนกับยุงมันกัดเนาะเราก็ไม่รู้ตัวจนทั้งมันบินจากไปนั่นแหละนะมันคันเน่ยเราค่อยรู้ตัวตอนที่มันกัดตอนที่มันดูดนะไม่รู้ตัวใช่ไหมเวลาอยากก็อยู่ในความอยากจนทั้งมันสนองความอยาก <c oughs> มันอิ่มแล้วนะ่ะค่อย ค่ไปเรื่องอื่นใช่ไหมอันนั้นคือมันหลงยาวเนาะคนเราก็จะหลงยาวหลงยาวหลงกับความคิดกับอารมณ์มันจะยาวแต่พอเราปฏิบัติมันจะหลงสั้นลงนะไม่ใช่ไม่หลงนหะลงอยู่แต่เมื่อมันมีสตินะมันก็จะสั้นลงนะอย่างอุบายที่เรายกมือสร้างจังหวะก็ดี เดินจากรกก็ดีคือเป็นอุบายให้เรามีสติไปแทรกแทรกช่องว่างของความหลงอ่าถ้าเรามีสติจริงๆนะเราจะเห็นว่าความหลงอ่ะมันเหมือนถ้าเปรียบเหมือนโดมิโนอะยคือแบบมันไม่ได้คือมันมันเหมือนต่อกันมันต่อมันไม่ใช่ตัวเดียวแล้วมันมัน ไม่ใช่มันเหมือนรถอะที่มันวิ่งต่อไปมันนะแต่มันโดบิโนโที่มันซ้อนซ้อนซอน ซ, อ น, ซ, อ, น ซ, อ, นซอนเรียกว่าเป็นกระบวนการที่จิตมันมันปรุงแต่งเช่นเนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยเนี่ยถ้าภาษาพระเรียกว่าจักษุวิญญาณเนาะเป็นวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้จักษุวิญญาณพอเห็นแล้วก็มีรู้อเป็นโยม ผู้หญิงด้วยนะรู้เนี <c> ่ย <oughs> เรียกว่าสัญญาอ่สัญญานะสัญญาแล้วก็เราก็มีสัญญาซึ่งจําว่าแบบนี้เราเรียกว่าสวยแบบนี้เราเรียกว่าไม่สวยนะหรแบบนี้เราเรียกว่าดีแบบนี้เรียกว่าไม่ดีเมื่อมันเกิดมาเกิดกลาเป็อะไรเกิดเป็นความชอบเป็นความไม่ชอบนะ เป็นความสุขถ้าชอบก็มีความสุขไม่ชอบก็มีความทุกข์เนี่ยเรียกว่าเวทนาเมื่อมีเวทนาแต่ก็ถ้าอันนี้ชอบบางทีเราก็จะเกิดการปรุงแต่งให้มันให้ให้ปรุงให้ความชอบเนี่ยมันอยู่นานๆหรือจินตนาการต่อให้มันมันก็จะไปไปต่อเรื่องอื่นต่อก็มีหรืออันนี้ไม่ชอบก็คิด หรือว่าปรุงทำไงให้มันหายเห็นะใช่ไห ม, ไหมเห็นหน้าคนนี้เราไม่ชอบอ <c oughs> ่ะนะก็คิดถึงเรื่องก็ไปคิดต่อเรื่องราวที่เขาทำเราหรือคิดว่าทำไงมันถึงจะหยุดพูดทันทีเห็นะใช่ไหมเคยไหมอืมเนี่ยคือมันก็จะเกิดการปรุงต่ออันนี้เราถ้าเราเห็นนะสติคือมมไม่มั น, ม น, มนไม่บางทีไม่จำเป็นต้องเห็นแล้วเช่นตาเห็น หยุดไม่ต้องไปจําว่านี่คืออะไรไม่ต้องไปให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีบางทีเราเราห้ามไม่ทันตรงนั้นดอกแต่สติจริงๆคือเอาง่ายๆนะมาว่าดูทันตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ <c oughs> เข้าไปแทรกนะเหมือนแต่ก่อนนะ่ะวิญญาณเกิดการรับรู้เกิดสัญญาจดจําได้ไหมรู้เกิดเวทนา นะสุกทุกข์ขึ้นเกิดการปรุงแต่งขึ้นนะมันต่อบางทีสติเราก็ทันตรงนี้บางทีสติก็ทันตรงนี้อะไร น, นะหรือ บ, บางทีมันก็ต่อไปหลายเรื่องถ้าค่อยมาทันเนี่ยก็คือเอาสติเข้าไปแทรกเนะข้าไปแทรกหรือบางทีแม้สติเช่นเรารู้กายนะเข้าไปแทรกแล้วแต่มันก็ยังแบบโอ้มันมันยังเชื่อมต่อเลยนะขนาด อ, อกลับมาดูตรงนี้นะ พอเผอแป๊แ บ, บหนึ่งแว๊บไปคิดต่อเลยเอนะถึงเรื่องเราที่คิดเมื่อสักครู่นี้นะมันก็ไปได้นะนะคือเราก็ต้องวางใจให้ถูกไม่ใช่ว่าเอ้เรื่องนี้คิดแล้วจบแล้วทำไมคิดใหม่อีกนะทำไมไม่คิดต่ออีกเลยนะเพราะอะไรอทีนะ่จริงมันก็คิดใหม่ในที่ปัจจุบันนะเรื่องราวไม่ใช่เป็นเรื่องเดิม คิดแล้วก็จบไปแล้วหรือถูกตัดไปแล้วคิดใหม่อีกมันก็เป็นเรื่องใหม่นะอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องใหม่หน้าที่เราก็คือรู้ใหม่นะรู้ทันมันใหม่ไปเรื่อยๆเนาะนั้นภาวนาบางทีก็มันตัดแต่ในในช่วงขนาดนั้นของเราด้วยเนาะบางทีถ้าเราทำงานมาเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือบางทีไม่รู้นะว่าเราเก็บอะไรนะ คำว่าคำว่าเราเนี่ยคือจิตมันมันเก็บอ่ะมันเก็บอะไรไว้ก็ไม่รู้นะพอมาปฏิบัติทำเนี่ยมันเหมือนขุดออกมาคุยออกมาอ่ารดนออกมาเยอะมากนะเรื่องเราที่เหมือนดื่มไปแล้วนะเรื่องเราวัยเด็กอะไรต่างๆมันผุดขึ้นมาที่จริงพอปฏิบัติแล้วมันเหมือนทำให้เราเห็นว่าจิตอ่ะมันติดอะไรจิตมันจำอะไรมันผุด ออกมาเนี่ยมันหรือบางคนเวลาปฏิบัติธรรมแล้วบางคนถ้าแบบทําแบบเหมือนคล้ายๆข่มสักหน่อยให้มันไม่คิดแม่มัไม่คิดนะ่ะจะสพบว่าถ้าใครที่กลางคืนแล้วนอนแล้วมันฝันเยอะอะหรือก่อนนอนเนี่ยคิดแดกเลยเนะี่ยแต่ว่าแต่กลางวันเราอาจจะเราก็ จ, จะเก็บอะไรมาเยอะหืบางทีเราหรือตอนกลางวันเราข่มเยอะกลางคืนพอมันไม่ได้ข่มมัน มันฝันเยอะมากแปลว่าเราขมมากเกินไปนะอืมนให้เราค่อยๆปรับเนาะค่อยๆปรับดูว่ายังทํำยังไงอ่ะถึงจะมีสติเข้าไปแทรกได้บ่อยขึ้นแล้วก็เราจะรู้แบบรู้เฉยๆนะไม่ได้รู้แบบรู้แบบขมนะบางทีมันจะขมขมความคิดเพราะว่าเราไม่ชอบความคิดน ะ, นะต้องดูนะนะ ให้รู้ทันว่าความไม่ชอบที่มันคิดเนี่ยดูดีๆมันเป็นทุกข์ไหมหรือมันไม่ทุกข์อ่าถ้าเรารู้สึกได้นะว่าการที่เราพยายามที่จะห้ามความคิดมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์อ่ะจิตมันจะวางเพราะมันเป็นทุกข์นี่ใช่ไหมมันก็วางกับมันเองแต่ถ้าเราไม่เห็นตรงเนี้ยมันก็จะไม่วางมันก็จะ มันก็จะห้ามมันก็จะทำํำนจะิตก็จะทําของมันเรื่อยหลวงพ่อเทียนก็ได้บอกเราไม่ต้องห้ามความคิดเนาะเราแค่รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดนะแค่นี้ก็ถือว่ามีสติแล้วเนาะแต่แต่ตอนที่เราปฏิบัติทำอย่านะี้มันจะทําให้เราชัดเจนขึ้นคืออะไรนะคือตอนนี้เราไม่ไตั้งใจใคิดนะเราเราเดินอยู่นีนะ่เรารู้สึกตัวอยู่กับการเดินนี่ ความคิดมันเกิดมาตั้งใจไหมไม่ตั้งใจเนาะมันคิดของมันเองนะดูแบบนี้เลยนะจิตมันคิดของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจจคิดมันคิดของมันเองความคิดที่ไม่ตั้งใจความคิดที่เกิดของมันเองนะนะควมคิดต่อไหมวางเรื่องไม่ชอบก็ไม่อยากคิดใช่ไหม วางเรื่องชอบก็อยากคิดใช่อืมบางทีก็ต้องระวังนะบางทีบางคนพอเดินจงกรมเนี่ยโอ้ความคิดแบบการงานที่มันคิดไม่ออกเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้มันคิดออกนะอืมันก็จะสนุกคิดนะหรือบางทีมันก็เกิดความคิดโปรเจกต์วางแผนอะไรดีๆนะมันก็จะสนุกคิดนะนะหรือคิดเป็นธรรมะบางทีมันก็จะสนุกคิดนะ ต้องต้องวางใจให้มันถูกว่าเออเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมเนาะความคิดจะมีสาระความคิดจะดีความคิดจะมีธรรมะขนาดไหนอ่าวางไว้ก่อนควาว่าวางไว้ก่อนไม่ใช่ห้าว่ามันจะคิดอีกไม่ได้นะคิดอีกก็วางใหม่คิดอีกก็วางใหม่นะฝึกแบบนีนน้บ่อยๆมันจะทําให้จิตมันเรียกว่ารู้กาลเทศะนะรู้กาลเทศะ เป็นการเป็นเวลำเวลาเราห้ามไม่ได้หรอกนะแต่เราฝึกรู้ทันได้เมื่อรู้ทันมันได้มันก็จะวางของมันเองเนาะไม่ต้องไม่ต้องปโกรธตัวเองที่มันคิดไม่ต้องไปโกรธความคิดที่มันมันคิดนั่นคิดนี่เนาะมองไปเพียงแค่อาการมองไปเลยนะถ้ามองได้มันเป็นแค่กระบวนการของขันที่มันปรุงแต่ง นะมันมีขันละขันขันเมื่อก็ทำงานอ่ะอย่างที่มาพูดว่าเมื่อใดที่เราหลงไปยึดว่าขันมันเป็นเราเนี่ยเมื่อนั้นมันทุกข์แต่ถ้ามองเป็นเรื่องกระบวนการของขันที่มันทางานเนี่ยคือเราเราก็มองมันมันจะไม่ยึดนะเหมือนเราดูข่าวดูละครดูอะไรก็แล้วแต่เราดูมันเขาแสดงอ่ะเเราดูกระบวนการเขาแสดง เราก็ดูเฉยๆเนะียมันมันก็เป็นเราก็เห็นว่ามันเป็นกระบวนการของการแสดงเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปชอบไปไม่ชอบกับกับสิ่งนั้นเนะี่ยเราจะอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดเราต้องการเราต้องไปจัดการนะเยอะแล้วนะอย่งถ้าภาวนาถ้าจะถ้าจะพูดแบบสรุปนะพูดอสรุปวนะ่าไม่ต้องไปจัดการอะไร ดูเฉยๆแต่กิเลสเนี่ยแหละมันอยากไปจัดการอันนี้ไม่ดีจัดการให้มันดีอันนี้ไม่ชอบไปจัดการให้มันเป็นอย่างที่เราชอบอันนี้ไม่สงบไปจัดการให้มันสงบนะพระใคพอเข้าใจนะเขามารูเฉยๆเนี่ยคือรู้แบบไม่ต้องไปจัดการแต่ถ้าไม่เฉยเนี่ยมันจะอยากไปจัดการแล้วก็ดมงเข้าไปจัดการ ดูดีๆนะอว่าเราเข้าไปจัดการนะหรือเปล่าเนาะเราก็ฝากไว้น่ะก็ลองไปดูต่อเนาะอไปดูต่ออกินข้าวทําอะไรก็อย่าดื่มน ะ, นะเดินลงบันไดก็เหมือนเดินจงกรมนะ <c oughs> กินข้าวตักข้าวแปงฟันนะก็เหมือนยกมือเนี่ยแหละะที่เราฝึกยกมือเราฝึกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลามันไป มือไปเคลื่อนไหวอย่างอื่นเท้าเคลื่อนไหวอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นมันก็จะเกิดการดรึกรู้ในอิเดียบท่างๆไปด้วยมันจะต่อเนื่องแบบนี้แหละนะไม่ใช่เราปฏิบัติทำสองชั่วโมงแล้วนะเราจะพักชั่วโมงหนึ่งเดี๋บ่ายโมงปฏิปฏบัติต่อนะั้นไม่ต่อเนื่องนะเหมือนกับต้มน้ํานะใกล้จะเดือดแล้วก็ปิดแก๊สนะมันก็เย็นอน้ําก็เย็นขึ้น แล้วใม้นก็มาต้มใหม่นะสี่ม้นก็หมดเวลาก็ยังไม่เดือดเลยก็กลับไปเดือนหน้ามาต้มใหม่อีก <c oughs> น้มก็ไม่สุกสักทีนะแต่ถ้าทำทุกวันนะมันเหมือนสะสมไปสะสมไปน ะ, ะกาบพักกันเนาะ